ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชาพะคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอรู้อยู่ก็ยังคบหาบ้างอยู่ร่วมบ้างนอนร่วมบ้างกับพิสุอริฏฐาผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สงฆ์ยังไม่ได้ทาทาอันสมควรยังไม่ยอมสละทิฐินั้นจริงหรือ